การปฏิบัติของเราทั้งหลายก็จักถึงความเจริญเท่านั้นซึ่งข้อความในอุทานเนี่ยนะในสูตรที่หนึ่งถือว่าเป็นสูตรหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้มาฟังข้อความในสูตรแรกก่อนเนนะแล้วค่อยกล่าวอย่างอื่นต่อไปข้อความในคำพีพระสุตันตปิฎกคุธการนิกายอุทาน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 พอสัปดาห์นั้นล่วงไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธินั้นได้ทรงมานสิการปฏิจจสมุปบาทอันเป็นอนุโลมด้วยดีตลอดปฐมยามแห่งราตรีดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดก็คือเพราะาวิชาเป็นปันจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปันจจัยจึงมีวิญญาณ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 หน้าเสษเศษใช่ไ ห, หน้าครึ่งเอ่อหนถือว่าหน้าเดียวแต่พระองค์ใช้เวลาคข่ครวญอยู่สี่ชั่วโมงแล้วก็พระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาหาประมาณไม่ได้มีพระปัญญาไม่มีที่สุดใช้เวลาคิดสี่ชั่วโมงเนี่ยนะเนื้อหานี่จะขนาดไหนหนอแต่นี้ที่พระองค์เอามาแสดงก็คือแสดงพอเป็นตัวอย่างให้เราได้ยินได้ฟังมาดูข้อความในอัตตะถา กล่าวถึงคำนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมำมการพระโลกกนาตผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาผู้ถึงฝังสาครคือยายาธรรมทรงสแสดงธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งมีนัยยะอันวิจิตนี่ก็เป็นคำนอบน้อมพระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระพุทธคุณโดยย่อก่อนคือพระสูตรเนี่ยนะพระสูตรนี้ พระคุณของพระพุทธเจ้าสองประการเป็นประธานในการแสดงคือพระกรุณาที่คุณกับพระปัญญาที่คุณเนี่ยนะพระคุณสองประการนี้เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรถ้าพระวินัยนี้ถือว่าพระกรุณาคุณเป็นหลักเนี่ยนะกรุณาเนี่ยเป็นประธานในการบัญญัติพระวินัยพระพิธมนั้นมีพระปัญญานี้เป็นประธานในการแสดง ส่วนพระสูตรพระพุทธเจ้าอาศัยพระมหากรุณากับพระปัญญานี้เป็นเหตุพระองค์นเนี่ยนะถ้าดูตามคําเนี่ยบอกว่าพระโลกก น, นาตพระโลกกนาตนาถานาตัวนั้นนาถานี่แปลว่าที่พึ่งของสัตว์ตะวโลกที่พึ่งของหมู่สัตว์โลกผู้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารทุกข์เนี่ยนะถามว่าพระองค์นี้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกตั้งแต่เมื่อไหร่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 แต่ก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความผูกพันแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขดแก่เหล่าสัตว์จริงๆอย่างการให้ทานของพระองค์เนี่ยนะอย่างในจริยาปิดกถึงกล่าวว่าข้าวของทั้งหลายท่านก็ไม่ได้รังเกียจไม่ได้ชิงชังสมมติว่าใครที่จะให้ทานเนี่ยนะเกลียดทานไหมเกลียดสมมติว่าออย่างวันนี้หลายท่านเอาดอกไม้มาถวายพระเป็นต้นเนี่ยนะ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 ทุกจริงๆว่างั้นเถอะทุกแค่ไหนก็ใครอ่านชาดกเป็นต้นเนี่ยจะรู้เลยทุกถึงขนาดบางครั้งก็ถูกเข่นถูกฆ่าบางครั้งก็ต้องตกนรกเพราะอะไรเพราะท่านต้องบำเพ็ญบารมีเนี่ยน ะ, ะบำเพ็ญทานในถ้ำกลางคนตรณีรักษาศีลในถ้ำกลางคนชั่วออกต้องออกในยามที่คนต้องการนะต้องเจริญปัญญาในยามที่หมู่สัตว์ลุ่มหลง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 ถึงฝั่งและจบแกเรียกว่าจบเป็นคนที่จบจริงๆถึงฝั่งเนี่ยนะถึงฝั่งสาครคือญาตธรรมปกติคําว่าญาตธรรมเนี่ยเป็นชื่อของสังขารวิการบัญญัติลักษณะรูปและนิพพานมีอยู่ห้าอย่างสังขารวิการลักขณะรูปบัญญัติและพระนิพพานแกเรียกว่าญาตธรรมพระองค์เนี่ยถึงฝั่ง แปลง่ายๆว่าวรู้สรรพสิ่งรู้ทั้งอดีตโดยไม่มีส่วนเหลือรู้อนาคตโดยไม่มีส่วนเหลือรู้ปัจจุบันรู้บัญญัติรู้ปรมัตุรู้สังคตะอะสังขตะรู้ทุกอย่างไม่มีเหลืออันนั้คือถึงฝั่งของปัญญาที่แท้จริงขณะเดียวกันที่พระองค์ถึงฝั่งอย่างนี้เนี่ยนะคำว่าถึงฝั่งเนี่ยถึงฝั่งด้วยปริญญาถึงฝั่งด้วยการละถึงฝั่งด้วยการทาให้แจ้งแล้วก็ถึงฝั่งด้วยการ จเจริญกิจอันใดที่พระพุทธเจ้าพึงบำเพ็ญกิจเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทำเสร็จแล้วเมื่อพระองค์เนี่ยต้นเหตุคือพระองค์บำเพ็ญการุณาบำเพ็ญบารมีจึงได้พระปัญญาตรัสรู้ธรรมเป็นที่สงบทุกตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกถึงฝั่งของปัญญาอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่เป็นผู้เลิศที่สุดแล้วอาศัยกรุณานั่นแหละกระตุ้นเตือน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 าากรต่งโมูสัตว์นั้นยินดีที่จะโลภเพลิดเพลินในความโลภชื่นชมในตัณหามานะและทิฏฐิคํา ส, สอนสอนตรงกันข้ามหมดเลยสอนเพื่อความไม่โลภเนี่ยนะสอนเพื่อกําจัดความโลภสอนเพื่อกําจัดมานะสอนเพื่อกําจัดทิฏฐิโม์ทั้งหลายยินดีในความลุ่มหลงชอบชอบชอบหลงมากนะหรือแบบพูดภาษาไทยไหนว่ า, วาชอบโง่มาก ไม่ค่อยอยากรู้อะไรที่มันลึกๆ ย, ยากๆไม่อยากรู้จริงๆนะไม่ต้องเล่าให้ฟังได้ไหมอย่างงี้ยนะอาจเฉพาะเรื่องละเอียดละเอียดลึกๆเนี่ยไม่ต้องการรับรู้อันนี้ประกาศถึงลักษณะยินดีในความลุ่มหลงคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อความไม่ลุ่มไม่หลงสอนเพื่อให้มีสติปัญญาเพราะหมูสัตว์ไม่ต้องการมีปัญญาแต่พระองค์ก็ต้องสอนเพื่อให้เขาเกิดปัญญาเนี่ยนะพั้นอันนี้ก็เป็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 แต่ว่าท่านจะต้องบำเพ็ญกุศลอย่างหาที่สุดไม่ได้เพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จก็เที่ยวสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนัยศัสตร์ทั้งหลายเนี่ยนะแต่ธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยเป็นคําสอนที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริงอันนี้เป็นคํานอบน้อมนมัสการพระพุทธคุณโดยโย่อโดยโย่อตรงนี้ยกมาสองประการคือพระกรุณาคุณกับพระปัญญาคุณ ข, ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมนำ้ำมสการพระธรรมอันสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วอันเป็นเหตุนำสัตว์ผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะออกจากโลก น, นะคานอบน้อมพระธรรมนะพระธรรมที่สูงสุดคืออะไรคือมรรคผลนิพพานนี่คือธรรมะที่สูงสุดที่เป็นโลกุตรธรรม ธรรมะที่สูงสุดอันนี้เนี่ยจะต้องอาศัยคำสอนที่สูงสุดชี้นะบอกกล่าวอันนั้นคือปริยัติธรรมพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุกเป็นผู้ที่บูชาปริยัตเป็นผู้ผู้ที่บูชาอริยมรรตบูชาอริยผลและบูชาพระนิพพานพระพุทธเจ้าเนี่ยใครอยากคิดนะว่าพระองค์ไม่บูชาปริยัติเพราะพระองค์เนี่เวลาแสดงธรรมพระองค์ก็แสดงธรรมด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าก็ฟังธรรมด้วยความเคารพ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 คำว่าธรรมเนี่ยอะธรรมนี่ไม่ไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงใช่ไหมหมายถึงสรรเสริญกุศลธรรมโดยเฉพาะสรรเสริญอริยมรรคเป็นต้นเมื่อพระองค์สรรเสริญอริยมรรคอริยมรรคคืออะไรก็คือความประชุมแห่งศีลสมาธิและปัญญาพระองค์สรรเสริญศีลพระองค์สรรเสริญสมาธิและปัญญาพระองค์บูชาศีลบูชาสมาธิบูชาปัญญาเคารพ บ, บูชาจริงๆธรรมะอันนี้ ที่ที่พระองค์บูชาเนี่ยนะทาไมพระองค์จึงบูชาถ้าตั้งคําถามว่าทําไมพระองค์จึงบูชาพระธรรมที่สูงสุดเหล่านั้นล่ะเพราะเป็นธรรมะที่เป็นเหตุนําสัตว์ออกจากโลกเพราะหมูสัตว์ทั้งหลายเมื่อไม่รู้ปริยัตไม่รู้ปริยัตินี่คือตัวที่บอกข้อปฏิบัติเมื่อไม่รู้จักปริยัตที่เป็นข้อปฏิบัติเขาจะบรรลุอริยมรรคอริยผลได้อย่างไรเพราะอ่ะ อริยมรรคอริยผลนิพานเป็นธรรมที่นำออกจากทุกเนี่ยนะพระองค์จึงบูชาคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ส claro ันเสริญกองทุกพระพุทธเจ้าสันเสริญการออกจากทุกไอการออกจากทุกได้ถ้าไม่มีข้อปฏิบัติก็ไม่สามารถออกจากทุกได้พระองค์จึงบูชาชื่นชมสักการะคาสอนที่นาออกจากทุกข้อปฏิบัติที่นำออกจากทุกกุศลธรรมทั้งหลายที่นาออกจากทุกเนี่ยพระองค์จึงบูชา แต่ผู้ที่จะออกจากทุกข์ได้เนี่ยจะต้องมีวิชาและจรณะวิชาคิดง่ายๆก็วิชาที่รู้อดีตวิชาที่รู้อนาคตรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอนาคตแล้วก็วิชาที่รู้อริยสัจอันนี้เรียกว่าวิชาแล้วจรณะลจรณะก็คือต้องมีศีลมีอินทรีสังวรมีโพเชเนมตัญยุตามีชาคริยานุโยกนนะมีศรัทธามีฮิริโอต ป, ปะ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 ว่าจารัมมากามันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเป็นเจรณะเป็นความประพฤติเพราะผู้ที่ประพฤติอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้นำออกจากโลกนำออกจากทุกโดยส่วนเดียวตอนที่เรานั่งอยู่ในบรรยากาศที่เย็นสบายแบบนี้เนี่ยนะทุกก็ไม่น่าออกสัก์เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าไปเห็นในบ้านเมืองที่มีสงครามเนี่ยนะแมเห็นโทษของการเกิดเ เห็นโทษของการเกิดเห็นโทษของการเวียนว่ายอยู่ในสังสารทุกข์อย่าคิดนะว่าที่ใดไม่นำไปสู่จุดเหล่านั้นแห่งหนตำบลใดที่ไม่นำไปสู่ยุคมิคสันจีความรู้สึกนึกคิดประดุดเดรัจฉานทั้งหลายนนเนี่ยนะนั้นมูสัตว์เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ออกจากทุกข์เนี่ยในที่สุดก็ต้องโคจรไปสู่จุดนั้นจนได้แต่ก็ถือว่าอย่างดี ดีกว่าไล้ไปสู่นรกอีกเนี่ยนะนรกนี่มันหนักกว่านั้นอีกเป็นพันล้านเท่ามันถ้าผู้ที่ตรัสรู้ธรรมะโดยเฉพาะตรัสรู้อริยมรรคอริยผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติคือสมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะก็นำออกจากทุกได้นั้นพระธรรมอันนี้เน้นสัจจะอะไรเน้นสองสัจจะนะพระธรรมเน้นนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะทุกขสัจจะต้องไหมไม่ต้องเพราะเราไม่แห้งแรงเลย สมุทยัยสัจจะก็ไม่กันดานบริบูรณ์เต็มเปี่ยมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําที่ว่าธรรมะที่สูงสุดหมายถึงนิโรธสัจจะกับมัคสัจจะแต่ทุคสัจจะต้องมีปัญญาเข้าไปรอบรู้สมุทยัยสัจก็ต้องมีปัญญาเข้าไปละส่วนมัคสัจ ต, ต้องเจริญทําให้บริบูรณ์ทีนี้มัคสัจจะนั้นอ่ะก็คือความประชุมแห่งโพธิปักจยธรรม37ประการจะต้องประชุมโพธิปักจยธรรม ให้พร้อมถ้าประชมไม่พร้อมตรัสรู้ไม่ได้ในบรรดาอริยสัจ ท, ทั้งสี่เนี่ยนะมรรคสัจเนี่ยคือคุณธรรมพิเศษที่จะต้องทำให้มีขึ้นที่จะต้องเจริญเนี่ยนะเจริญจนจนพร้อมที่จะออกจากโลกอย่างแท้จริงถ้ามรรคสัจจะไม่เพียบพร้อมออกจากโลกไม่ได้ออกจากทุกข์ไม่ได้เนี่ยมาดูผู้ที่ออกจากโลกตามพระพุทธเจ้าได้บอกว่า ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมน้ำมศการพระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีละคุณเป็นต้นผู้ดำรงอยู่ในมรรคและผลผู้เป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมอันนี้กนน็เอาบทสังคคุณมาแสดงโดยย่อเพราะผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเนี่ยนะปฏิบัตบิตเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกบุคคล น, นั้นเนี่ยเป็นปฏิบัติอยู่ด้วยศีลปฏิบัติอยู่ด้วยสมถะและ วิปัสนานะสมถะก็คือสมาธิวิปัสนาก็คือปัญญามีวิมุตติวิมุตติก็คือมรรคและผลนั่นแหละเรียกว่าวิมุตติสมุทเฉทวิมุตติกับปฏิปัสสัที่วิมุตติเนี่ยนะแล้วก็พระนิพพานคือนิสรณวิมุตติพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยท่านดํารงมั่นอยู่ในคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวมุติญาณทัศนะความที่ท่านมีคุณธรรม บริบูรณ์เช่นนั้นท่านจึงเป็นบุ ญ, ญเยเขตคือเป็นนาบุญที่ยอดเยี่ยมส่วนนาที่ทำแล้วไม่ได้ผลมากไม่มีอ น, นิสง์มากถ้าเป็นในโลกนี้ก็คือนาที่มีย้ารกเป็นต้นนาที่มีมีแต่หินมีแต่กรวดมีแต่ทรายนาประเภทนี้พอปลูกแล้วไม่มีไม่มีผลิตผลมากมูลสักก็เหมือนกันทานที่ให้แกผู้ที่มากไปด้วยราคะชุ่มไปด้วยโทสะเนี่ยนะ โง่เคล้าไปด้วยโมหะการให้ทานแก่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากแต่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านมีศีลท่านจึงกําจัดโทสะท่านมีสมถะท่านจึงกําจัดโลภะท่านมีวิปัสสนาท่านจึงกําจัดโมหะเมื่อท่านเนี่ยเป็นผู้กําจัดราคะกําจัดโทสะกําจัดโมหะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอโลภะอะโทสะและอโมหะท่านจึงเป็นนาบุญที่สูงสุด ยอดเยี่ยมแปลว่าไม่มีนาะบุญอื่นจะเสมอเหมือนบุญใดอันเกิดจากการไหวพระรัตนตรายดังกล่าวมานี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอันตรายอันเดชแห่งบุญขจัดแล้วในที่ทุกสถา น, นนี่ก็กล่าวถึงว่าผลแห่งบุญที่เกิดจากการนอบน้อมบูชาพระรัตนตรายเนี่ยเป็นบุญที่สูงสา ม, มารถกาจัด อุปัตถวะกำจัดอันตรายกำจัดความเสียหายได้มากเพราะอะไรเพราะผู้ที่นอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระธรรมนอบน้อมพระสงฆ์นะด้วยการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติขณะนั้นจิตจะไม่ถูกราคะกลุ้มรุมจิตจะไม่ถูกโทสะกลุ้มรุมจิตจะไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมจะเป็นจิตที่ดาเนินไปตรงเป็นจิตที่ดาเนินไปตามพระเถร ดำเนินไปตรงจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใช่เพราะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมมีปัญญาสามารถที่จะรู้อัทธารู้ธรรมะเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอันตรายอันเดชแห่งบุญขจัดแล้ว น, น, นะหมายคือว่าอนุภาพของบุญเนี่ยนะตัสานุภาเวนะหัตตนตราโย ο, ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้เนี่ย อันตรายทั้งมวลจงมีอันสิ้นไปเนี่ยนะอนุภาพแห่งบุญเนี่ยมากำจัดอันตรายอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่เปิดเผยอันตรายภายในอันตรายภายนอกและในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยอันตรายเพราะนั้นอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการนอบน้อมพระตนตรยัยเนี่ยนะอนุภาพแห่งบุญนั้นจงกำจัดอันตรายเหล่านั้นโดยประการทั้งปวง น, นะ พันชีวิตของของเราทั้งหลายเนี่ยนะที่อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายการนอบน้อมพระรัตนตตายเนี่ยนะเป็นเหตุให้ขจัดอันตรายได้ท่านบอกว่าเว้นไว้แต่กรรมมันหนักจริงๆเท่านั้นแหละแต่ถ้าปกติธรรมดาทั่วๆไปแล้วบุญกุศลที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรายนั้นกาจัดอันตรายได้จริงๆ พระมเหสีเจ้าผู้สแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลแสดงอุทานใดด้วยนิทานนั้นๆโดยอับประทานอันบริสุทธิ์พระธรรมสังฆา迦าจาร์เมื่อจะยกอุทานทั้งหมดนั้นรวมไว้เป็นหมวดเดียวกันแล้วร้อยกรองให้ชื่อว่าอุทานอันเป็นเครื่องแสดงความสังเวชและปราโมทในธรรมะของพระชินเจ้าประดับด้วยคาถาซึ่งมีโสมนัตยา น, นั้นเป็นสมุทฐานอันนี้กล่าวถึงลักษณะของคำภีที่เราจะเรียนต่อไป พระธรรมที่เราจะฟังต่อไปย้อนกลับมาหาคำว่าพระมเหสีเจ้าผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยนะพระมเหสีเจ้านี่คือใครคือผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่คือสแสวงหาอะไรสีลคุณสมาธิศีละขันอันใหญ่สมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศน์ขันอันใหญ่หรือสแสวงหา โพธิปัิยธรรมอันใหญ่นะสติประธานสี่อันใหญ่สัมมารประธานอิธิบาทอินทรพรหพโชงองค์มัชตลอดจนถึงสแสวงหาพระนิพพานอันใหญ่พระองค์เนี่ยรวมๆแล้วก็คือสแสวงหามัชผลนิพพานพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยสแสดงอุทานด้วยนิทานนั้นโดยอัปทานอันบริสุทธิ์คือหมายคาอว่าโดยอัธยาศัยโดยจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าสแสดงอุทานออกมาเนี่ย อุทานนั้นน่ะเป็นคาที่เปล่งออกมาทำไมพระพุทธเจ้าจึงอุทานออกมาเหตุผลในที่หนึ่งบอกเพราะความสังเวชสังเวชเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าอุทานออกมาเหตุผลที่หนึ่งนะพระพุทธเจ้าอุทานเพราะความสังเวชแปลภาษาไทยว่าสลดใจเนะนะถ้าสำนวนชาวบ้านเขาใช้คำว่าเวทนาแมมรู้สึกเวทนาอย่างสุดซึ้งเว่างั้นก็เลย แปลงออกมาเวทนาเนี่ยภาษาไทยแปลว่ากรุณานะคือคือภาษาไทยเนี่ยเริ่มใช้คำคาไม่ตรงต่อสภาวะอย่างโอ้ยคนนี้มีมานะมากแปลว่าเขาชมนะเขาไม่ได้ด่าถ้าสำนวนชาวบ้านนี้เขาชมนะว่าแปลว่าคนนี้ขยันจริงๆเรียกว่ามุมานะคำนั้นนะนะมุมานะก็คือเป็นคนที่มีความภาพเพียรพยายามแต่ถ้ามานะในธรรมะถือว่าความเย่อหยิ่งความถือตัวคนละในกันน่นะ และคำว่าสังเวชนันก็คือความสลดใจส่วนปราโมทอ่ปราโมทก็คือปีติอย่างอ่อนเพราะปีติเป็นปัจจัยทําให้พระองค์นี้แปง่งเปลงอุทานออกมาขณะที่เปลงอุทานเป็นคำพูดเหล่านั้นเนี่ยเป็นคำพูดที่มีโสมนัสยานเป็นสมุทฐานแปลง่ายๆว่า พระองค์เนี่ยเปล่งคำพีอุทานด้วยมหากิริยาญาณสัมปยุตสมนัติอสังขาริกบ้างสสังขาริกมากตามสมควรคือมหากรุณาเนี่ยน ะ, อะขออภัยพระปัญญาที่เกิดร่วมกับมหากิริยาญาณสัมปยุตอสังขาริกและสะสังขาริกสองดวงเนี่ยนะเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยเปล่งเปล่งอุทานออกมา ด้วยอนุภาพของสัพพัญยุตยานเป็นต้นนั่นเองพระเทระที่เรียบเรียงคัมภีร์ท่านบอกว่าการกระทาการพันนาอัฏถะคือเนื้อความแห่งอุทานนั้นปกตินี่ทำได้ยากทำไมทำยากเพราะจะต้องใช้ยานปัญญาอันลึกซึ้งอย่างลงนะที่จะอธิบายพระสูตรทั้ง80สสูตรได้นี่จะต้องมีปัญญามากท่านก็บอกว่าถึงจะมากอย่างนั้นก็จริง เหตุที่สัตุศาสตร์พร้อมสังวรนานายังคงอยู่บางแห่งก็บอกว่าอัตรกรถาเนี่ยเป็นเครื่องช่วยทรงพระศาสนาเอาไว้ถ้าอัตรกรถาไม่มีพระศาสนาก็ทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายขณะเดียวกันคำอธิบายในสมัยนั้นก็ยังมีอยู่การวินิจฉัยของบุรพาจารย์ชาวสิงหลนก็ยังคงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจากยึดเอาสัตุศาสตร์นั้นอย่างลงสู่ นิกายทั้งห้าอาศัยนยะอัตกระถาเก่าอันบริสุทธิ์ไม่ปะปนกันยึดเอาลทัทธิของพระมหาเถระผู้อยู่ในมหาวิหารเว้นอัฏฐะที่ซ้ำซ้ำซากๆเสียจักแต่งอัตกรถาอุทานตามกำลังให้ดีดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าหวังความดำรงมั่นแห่งพระสัตธรรมดำรงมั่นแห่งปริยติสัจธรรมเป็นต้นเนี่ยนะจำแนกอัดแห่งอุทานอยู่ขอสาธุชนทั้งหลายจงรับเอาด้วยดีเถอ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 ห่วงน้ำที่ไหลบ่าไหลท่วมไหลทับสิ่งนั้นเรียกว่าห่วงน้ําฉันใดสิ่งใดที่ตั้งขึ้นด้วยกําลังของปีติแผ่สร้างไปด้วยกําลังแห่งวิตกไม่สามารถจะดํารงอยู่ภายในหาไทยเอาไว้ได้ก็ฉันนั้นเปล่งออกอันพิเศษนั้นเป็นของยิ่งไม่ตั้งอยู่ภายในออกไปภายนอกทางวาจีทวานไม่ถึงการรับเอาเรียกว่าอุทานแปล ว, ว่าโอ้โหสิ่งนั้นน่ะ น, นะ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 หรือบางแห่งก็บอกว่าสุขากามมานิภูตานิโยธันเดนาวิหิงสติหรือว่าสเจพายทะทุขสะสสเจโวทุกขมัพียงเป็นต้นเนี่ยคำเหล่านี้ก็เป็นคำอุทานที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกตามคำพีต่างๆคำอุทานในพระไตรปิฎกเนี่ยนะจริงๆแล้วมีคำอุทานอยู่ของคนห้ากลุ่มด้วยกันของคนห้ากลุ่มที่อุทานออกมาหนึ่ง คำอุทานของพระสัพพัญยูพุทธภาษิตคือคำอุทานของพระพุทธเจ้าอย่างที่สองคำอุทานของพระปเจกพระพุทธเจ้าอย่างที่สคำอุทานของสาวกอย่างที่สคำอุทานของเทวดามีเท้าสักกะเป็นต้นอย่างที่หก็คือคำเทวอุทานของประชาชนทั้งหลายหรือพราหมณ์ทั้งหลายมีโสนพราหมณ์เป็นต้นนอย่างคาอุทานที่ เป็นพุทธภาษิตก็เนี่ยคำทีอุทานอันนี้ชัดถ้าคำอุทานของพระประเจกเช่นท่านอุทานว่าวางอาจญาในสัตว์ทั้งปวงไม่เบียดเบียนสัตว์เหล่านั้นแม้ตนหนึ่งอันนี้อันนี้ประกาศถึงความที่เป็นผู้มีเมตามีการุณาต่อสัตว์นั้นอุทานถึงเมตตาและการุณาของท่านที่มีต่อสัตว์อันนี้เป็นคาอุทานแบบย่อของพระปเจชอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่าง ใครอยากดูก็ดูนะในคัควิสานสูตรสูตรที่ว่าด้วยทเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุดหน่อแรกอันนั้นเป็นคำอุทานของพระประเจกพระพุทธเจ้าส่วนสาวกภาสิทเนี่ยนะคำอุทานของพระเถระทั้งหลายก็ในเถรคาถาไงเถรคาถาเนี่ยเล่มที่เท่าไหร่อันไหน เล่ม50 51 52 53มีอยู่สี่เล่มนันฉบับเรานะมีอยู่สี่เล่มอันนั้นเป็นคำอุทานของพระเทระยกตัวอย่างว่าราคะทั้งปวงเราละได้แล้วโทสะทั้งปวงเราถอนได้เสียแล้วโมหะทั้งปวงเราขจัดได้แล้วเราเป็นผู้ดับเย็นสนิทแล้วเป็นผู้ดับตัวนี้นคือแทงตลอดพระนิพพานที่ดับแล้วก็เย็นหมายความว่าไม่มีกิเลสราดรสอีกต่อไปอันนั้นก็คือเป็นผู้ปริณิพานแล้ว หรือแม้กระทั่งเทรีคาถาในพระไตรปิฎกเล่มที่54นะ54 เ, เทรีคาถาท่านก็ยกตัวอย่างว่าเราเป็นผู้สำรวมกายสำรวมวาจาและใจถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้เป็นผู้ดับเย็นสนิทแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างที่คำอุทานของพระเทรีทั้งหลายสาวกพาสิทธ์ทั้งในเทระคาถาเทรีคาถาเนี่ยนะก็เล่ม 50-54 ถึง ก็ดูว่าเป็นคําเป่งอุทานของพระเถระและพระเถรีส่วนคําอุทานของทา้าสกะเทา้าสกะอุทานว่าอโหทานังราธรรมทานังกัสเปสุปฏิทิตังเนี่ยนะว่าโอ้ทานเป็นทานอย่างยิ่งที่เราประดิษฐานไว้ดีแล้วในพระมหากัสสปะเทา้ากสกะดีใจมากที่ได้ได้ถวายทานแก่พระมหากัสสปะเดี๋ยวเราจะเรียนข้างหน้าก็จะมีท่านดีใจจริงๆที่ได้ให้ทาน อันนี้คำอุทานของพระเออของเทวดาหรือคำอุทานของมนุษย์มีโซนะธันดพราหมณ์เป็นต้นพาษิทธไว้ว่าคำอุทานเนะ่ะโมตสสะพะคะวะตวรหัโตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยต้นเหตุเลยเนี่ยต้นตำรับเขาอุทานออกมาของเราก็เลยกลายมาเป็นคำนอบน้อมพระรัตนตรัยไปอุทานทั้งทั้งห้าคือ คำอุทานของพระปัจเจกคำอุทานของพระเทเรพระเถรีคำอุทานของเทวดาคำอุทานของมนุษย์มีโสโณธนะันดพราหมณ์เป็นต้นไม่เอาไม่เอาในคัมภีร์นี้ที่จะเรียนต่อไปไม่ใช่คำอุทานเหล่านั้นมาดูว่าอุทานไหนละ่ะที่ต้องการจะเรียนในที่นี้ก็คือก็พาสิทธ์เหล่าใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเฉพาะพระองค์เองเป็นพุทธพจน์ และภาสิทธ์เหล่าใดที่พระพุทธเจ้าทรงหมายเอาเมื่อจะทรงจำแนกปริยติธรรมออกเป็น9้าอย่างก็คือองค์9ก้านะปริยติธรรมที่เรียกว่าองค์9้าคือไรสุตตะเคยะเวย า, วาการณะคาถาอุทานอินติวุตกาชาตกาอภูตธรรมเวทะละอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มอุทานภาสิท์นั่นแหละพระธรรมสังหากาจา ร, ร้อยกรองเอาไว้ว่าเป็นอุทานอุทานนี่แหละที่ที่จะเรียนต่อไปนะ คำอุทานเนี่ยนะอย่างแรกตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็อุทานเหมือนกันนะที่พระพุทธเจ้าทุกองค์นี้จะต้องอุทานใช่อุทานว่าไงอนเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอณิพิสังขะกาลังคเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุนังเป็นต้นเนี่ยนะที่เป็นไปด้วยอำนาจอุทานที่ควงแห่งโพพฤกและคาถาอุทานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายแสนองค์ไม่ทรงละอนเนกชาติสังสารังเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องเปล่งเหมือนกันหมด นะพอบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็เปล่งคำนี้ในวันอะไรนะรุ่งอรุณของวันหนึ่งคำ่ำนะคืนวิสาขะเป็นคืนตรัสรู้ใช่ไหมตอนสว่างนั่นแหละสว่างนั่นแหละพระ อ, องค์จะเปล่งอุทานออกมาอเนกชาติสังสารังนี้ก็ไม่ได้อยู่ในคัมภีร์อุทานนี้แต่ไปอยู่ในคัมภี์คาถาธรรมบทโ น, น้นเะนะี่ยนส่วนคำอุทานในธรรมจักรกับประวัตินะสสตรพระ อ, องค์ก็อุทานใ ัญญาสิวัต โ, โพโกณทันโยัญญาซิวัตโพโกณทันโยแปลว่าท่านผู้เจริญโกณทัญยะรู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโ พ, โพโนี่แปลว่าท่านผู้เจริญโกณทัญยะรู้แล้วหนาะนั่นเอที่พระพุทธเจ้าตรัสให้มีเสียงกึกก้องแพร่หลายสามารถประกาศแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุทําไมพระองค์จึงบอกว่าอัญญาซิวัตโพโกณทันโย و. พระพุทธเจ้าดีใจมากเลยถึงกับเปล่งอุทานคํานี้ออกมา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 เพราะอาริยมรรต์ตามที่ทรงแสดงอันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะที่พระองค์บรรลุเป็นมรรต์ที่พระเถระบรรลุก่อนกว่าสาวกทั้งปวงในบรรดาสาวกทั้งหลายหลังจากที่พระองค์แสดงธรรมจักรกับปวัตนะสูตรจบถึงตอนนั้นพระัญญาโกณธัญะญบรรลุโสดาปติมรรตก็จริงที่เรียกว่าธรรมจักรสุเนี่ยนะ ธรรมจากสูที่ปราศจากทุลีปราศจกาศจกมณทินได้เกิดแก่พระัญญาโกนธัญยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือแทงตลอดสมุทัยสัตว์สิ่งทั้งปวงนั้นล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดานี่แทงตลอดนิโรสัจจะเพราะด้วยอนุภาพของโสดาปฏิมาถึงยังไม่เกิดอรหัตตมรรคแต่พระองค์ก็ดีใจดีใจว่าคำสอนที่พระองค์สอนการปฏิบัติของพระองค์นี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เนี่ย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 คนที่กระหายน้ำเวยยมร้อนเนี่ยจะนึกถึงอะไรนึกถึงน้ำเย็นเย็นฉันใดพระพุทธเจ้าเห็นความวุ่นวายของพระพิสุในสมัยปลายปลายหลังๆมาเนี่ยพระองค์นึกถึงเพรพิสุสมัยรุ่นแรกๆท่านก็เลยบอกว่าภิสุทั้งสมัยหนึ่งพิสุทั้งหลายทำทำให้เรายินดีหนอดีใจมากเลยนึกถึงพระพิสุกลุ่มแรกๆนะกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่ พระองค์แสดงโอวาทปาติโมกเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มเรานนเนี่ยสงบเสงี่ยอูย้ทำให้พระองค์ยินดีจริงๆทําให้พระองค์ปีติโสมนัตมากซึ่งต่างจากจยุคหลงังๆมาบัญญัติแต่พระวินัยเนี่ยนะสร้างปัญหาไม่มีจบมีสิน้นวุ่นวายคําพูดเอ่ออย่างคําที่บอกว่าพระพิสูจน์ทั้งหลายทําให้เรายินดีคํานี้ตรงๆแล้วไม่ใช่เป็นคําประกาศสัจจะอะไรไม่เป็นคําประกาศความเป็นไปหรือหวนกลับมา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 มกษัจจะเป็นนิวัตนะเหตุให้ไม่ต้องเป็นไปในวัตตะนนะก็บอกว่าเรียนธรรมะเนี่ยนะอ่านยากที่สุดคือช่วงหน้าต้นๆเนี่แหละห้าหกสิบหน้าแรกเนี่ยโอถ้าใครอ่านผ่านนะเรียนผ่านหมดนนะแต่ถ้าใครเรียนไม่ผ่านโดยมากบอกโอ้ยากไปก็เลยปิดเลยจริงเนะค่อยคำเหล่านี้คือ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 อังคุตรนิกายและคุ ธ, ธกานิกายคำภีอุทานนี้นับเนื่องในคุ ธ, ธกานิคายคำสอนของพระพุทธเจ้ามีองค์9้าคือสุตตะเยะวยกากรณาคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตรธรรมเวทะละอันนี้นับเนื่องในคำอุทานสงเคราะห์เป็นธรรมขันเล็กน้อยในจำนวน 84,000 พันพระธรรมขันคือพระวินัยเนี่ยเอาไป 21,000 พันระธรรมขันได้ใช่ พระพิธามปีดกนี่ส0 0ห0ื่พันระธรรมอาคารถ้าสุตตันตปิดกนี่มี 21,000 พันพระธรรมอาคารแล้วก็แบ่งเป็นทีขนิกายมัชชิมนิกายแบ่งไปเยอะยๆไปหมดอันอุทานก็ถือว่าเล็กน้อยถ้าเทียบกับนิกายทั้ง5เนี่ยนะก็มีอยู่ไม่กี่ไ ม, กไม่กี่ธรรมอาคารเองนี่นะถือว่าธรรมอาคารเล็กน้อยบางแห่งเขาบอกว่ า, วาอาจจะดีไม่ดีไม่ไม่ถึงร้อยธรรมอาคารถ้าดูตามนี้แล้วมีประมาณ80ธรรมอันารเท่านั้น สูตรละหนึ่งธรรมขันก็มีประมาณ80ธรรมคขันนี่นะว่าโดยวัดเนี่ยนะมีอยู่แวัดมีทั้งหมด80สูตรโดยคาถาเนี่ยมีอยู่95าคาถาโดยสวดเนี่ยนะแปล ว, ว่าสวดพัก 9, 9้าครั้งครึ่งเรียกว่าบทพาณวาระเนี่ย้าครึ่งพาณวาระแปล ว, ว่าเวลาสวดเนี่ยนะพักหายใจ9้าครั้งว่างั้นน ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดพักดื่มน้ําอ้งนะพักหายใจเนี่ยนะพักดื่มน้ํายาวไปหน่อยพักอาหารว่างด้วยยิ่งยิ่งนานอย่างเงโดยสนที่โดยการเชื่อมสนทีอนุสนทีนี่แปละว่าการต่อการต่อเนื้อหาอสนทีใหญ่ๆมีอยู่คือปุจฉานุสนทิเนี่ยนะแล้วก็มีปุจฉานุสนทีและยถานุสนทิ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 มีอยู่สองห0นึ่งนห่านบทท่า น, า น, านคอมพิวเตอร์ตอนนี้มันบอกหมดเลยนะพิมพ์ไปกี่ตัวมันบอกหมดเลยกี่อากาักขระกี่คำนะนะแต่สมัยก่อนเนี่ยท่านนั่งนับได้นะท่นขยันจริงๆเลยโดยบาทคาถามีอยู่8423บาทคาถาอักขระนะใช้ตัวหนังสือ67 382สตัวหนังสือใช้อักษรเท่านี้นะห0หมืกว่าอักษรอักขระ ก, า ก, ารก็คืออักษร น, นั่นแหละ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 อนุสนทิทแปด1บเอ็ดอนุสนิทเนี่ยนะคำนี่นับได้สอง0มืนหนึ่งพันหนึ่งร้อบทนะแล้วก็มีเท่าไหร่อ่มีแปดันสี่ร้อยยี่สบสาบาทคาถาหก3มืเจ็ดพสารอยแปดสิบสองอักขระเนี่ยก็นับได้หมดเลยนะถือว่าเก่งมากเลยนะีสมัยนั้นเนี่ยนะพูดแต่จริงๆเขาเขาใจเย็นเนี่ยนะเขาใจเย็นเขา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 เลื่อมสท่านมีความสุขเพราะท่านมองเห็นทุกอักขระทุกบทประดุดเพชรเลยหรือหรืออะไรนะก็บอกว่าคนที่จะเรียบเรียงคัมภีร์เนี่ยนะเขียนเขียนพระไตรปิดกคัดลอกพระไตรปิฎกเนี่ยจะต้องมองว่าตัวอักขระเท่ากับพระพุทธรูปหนึ่งองค์สมัยนี้เคยเห็นพวกส่องพระไหมส่องพระเครื่องส่องได้ทั้งวันเลยนะเด็กเดินก็ส่องอยู่นั่นแหละเพราชอบมากนี้ก็เหมือนการเนี่ยนะท่านรักพระธรรมอย่างนั้นท่านเห็นว่า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 เอวัมเมสุตังเนี่ยนะอยากจะพูดคำนี้เยอะหน่อยนะเอว่มเมสุตังข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้หรือข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้บาลีนี่เขาบอก A เอวังเมสุตังเนี่ยนะคือภาษาไทยเนี่ยจะแปลคำค ำ, คำท้ายของบาลีมาก่อนถ้าถ้าพูดแบบภาษาแปลตามคาเลยบอกว่าเอวังแปลว่าอย่างนี้เมแปลว่าข้าพเจ้าสุตังแปลว่าได้สดับ อย่างนี้ข้าพเจ้าได้สดับนะนี่แ้าแปลแบบตามๆแกะตามตัวอักษรมาเลยแต่ถ้าแปลโดยอัดถามมาว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้คําว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะทาไมพระนนท์ท่านจึงพูดแบบนั้นเขาบอกว่าสมัย สมัยที่พระนรนทร์สังขยานาเนี่ยมีเทวดาบางกลุ่มเขาก็นึกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีองค์หนึ่งแล้วพระนนทก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ข้าพเจ้าไม่ใช่พระ พ, พ, พุทธเจ้านะแต่เหตุผลหลักๆที่กล่าวถึงว่าเอวเมสุตังเนี่ยไหมมีอยู่สามความหมายความหมายแรกเลยลองไปดูในหน้าสิบสามดูนะจะเห็นชัดว่านี่คือเหตุผลแรกที่พระนนท์กล่าวออกมาว่าในย่อหน้าล่างสุด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 พระพุทธพจน์เนี่ยที่ฟังแล้วมาเป็นภาษาของตัวเองตัวเองหมดเนี่ยมีนัยยะต่างๆที่ละเอียดอันนี้คนหนึ่งไหมมีนัยยะที่ละเอียดมากแล้วก็เป็นธรรมะที่เกิดจากอัทยาศัยเป็นอเนกสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะมีปาฏิหาริย์ต่างๆลึกซึ้งโดยธรรมลึกซึ้งโดยอัดลึกซึ้งโดยเทศนาและลึกซึ้งโดยปฏิเวทคาอธิบายนะนะั้นอยู่หน้าบสี่หน้าห้า นนหน้าสิบหกคำแรกก่อนที่บอกว่ามีนัยยะต่างๆนะใช่ไหมนัยยะต่างๆนี่มีอะไรบ้างท่านก็ยกตัวอย่างนัยยะตามเนติปกรณ์มาก่อนเนติปกรณ์นี่มีอยู่อะไรอขออภยัยนัยยะตามปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมคือเอกัตนายนานัตนายอัพยาปารนัยเอวังธรรมตาในา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 วิเศษภากคย์นิเพทาภากคยะเป็นตน้นนะหรืออะไรนะเสขะสังเสขภากคยะอเสขภากคยะเป็นต้นหรือว่าโลกิยะโลกุตระทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระกุศลอกุศลอัพยากะตะเป็น ต, นต้นเตกะมาติกาทุกะมาติกาหรือขันอาญาตนาธาต์หรือแบบสังกะโหอสังกะโหสังกหิเตนะเป็นต้นนะหรือแบบบุคคลก็สมมิยาวิมุตสัมมยาวิมุติกุปธรรมอกุปธรรมหรือ ถปณะเนี่ยนะการตั้งไว้เป็นต้นหรือด้วยอำนาจกุศลมูลนะกุศลมูลมีอะโลภเป็นต้นและด้วยอำนาจติกะประฐานเนี่ยนะติกะประฐานทุกกะประฐานติกะทุกกะทุกกะติกะติกะทุกกะทุกก ะ, กกะเป็นต้นเรีวยกว่าปัฏฐานหกมีอยู่แสนกว่าแสนกว่าบทนั่นแล้วก็ถ้าเป็นปุจฉาวาระก็ตัวเลขสิบสองหลักมาวาไปนั่นก็คือพระธรรมเนี่ย เชื่อว่าละเอียดโดยนิยต่างๆเพราะละเอียดอ่อนสุ ข, ขุมโดยนิยต่างๆท่านแปลว่าพระพุทธพจน์หนึ่งบทเนี่ยนะใครจะฟังแล้วเข้าใจอย่างแตกฉานเนี่ยคนนั้นคือผู้ทรงพระทัยพิดกผู้ทรงพระไัยพิดกเนี่ยฟังหนึ่งคำและอธิบายได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเพราะต้องมีข้อมูลมากจริงๆจึงจะฟังพุทธพจน์บทนั้นเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งท่นานพระนรท่านก็ออกตัวว่าใครจะไปรู้ได้ทุก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 เช่นวิญญาณเนี่ยตายแล้วมันล่อง้อยไปเรื่อยพวกนี้ถือว่าวิญญาณนี้ที่ยงเป็นกลุ่มสัสตตถิฐิเป็นต้นหรือบางพวกเนี่ยเป็นอุเฉธทธิฐิบางพวกเป็นเอกัจจสะสมตทิฐิบางพวกเป็นอมราวิเขปะเป็นต้นบางพวกก็มีกิเลสในกิเลสประดุจธุรีในดวงตาน้อยบางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้า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 ใครนะจะไปรู้โดยอาการทั้งปวงในอัถฐพยัญชนะทั้งหมดของพระพุทธเจ้าคำสอนเหล่านี้ก็มีปาฏิหาริ์ต่างๆมีปาฏิหาริ์อย่างไรปาฏิหาริ์เช่นว่าบางสูตรเนี่ยแสดงควบสลับกับอิทธิปาฏิหาริทธิปาฏิหาริ์ก็คือยั ม, มะกะปาฏิหาริ์เวลาพระองค์แสดงฤทธิ์ไปด้วยแล้วแสดงธรรมไปด้วยอย่างเงี้ยหรืออาเทศนาปาฏิหาริ์ดักใจแล้วเทศเนี่ยนะดักใจแล้วแสดงธรรม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 เพราะนั้ น, น, นท่านท่านก็บอกเท่ากับ อ, กออกตัวว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกข้าพเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าข้าพเจ้าไม่ใช่ไ ป, ร, ปรู้ทุกเรื่องรู้ทั้งหมดไม่ใช่ท่านก็ต้องการออกตัวแบบนั้นนะนะเพราะฉะนั้นไอ้อคำว่าชื่อว่าปาฏิหารเพราะอะไรเพราะกําจัดธรรมะที่เป็นข่าศึกข่าศึกข่าศึกในที่นี้คือกิเลสนะนะมีราคะเป็นต้นกิเลสมีราคะเป็นต้นที่เป็นข่าศึกอันจะพึงกําจัดไม่มีแก่พระพุทธเจ้า เมื่อจิตปราศจากอุปกิเลสประกอบด้วยคุณแปดประการกำจัดธรรมที่เป็นค่าศึกได้แล้วก็แสดงอิทธิปาติหารแม้สำหรับปุถุชนก็ยังเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อว่าโดยโวหารที่เป็นไปในการแสดงฤทธิ้นั้นจึงไม่อาจจะกล่าวได้ว่าปาติหารในที่นี้ไอ้คำว่าปาติหารไม่ใช่เมื่อจิตเบาอ่อนคล่องควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวัน่นไหวแล้วน้อมไปเพื่อแสดงฤทธิ์โดยประการต่างๆทำคนเดียวเป็นหลายคนทำหลายคนเป็นคนเดียว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 พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นมองว่ากราคโทสะโมหะที่เป็นเครื่องเศร้ามองที่อยู่ในจิตของสัตว์เนี่ยคือศัตรูคือข้าศึกที่พระองค์ต้องกำจัดพันพระองค์เนี่ยแสดงทำให้หมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะจิตเบาจิตอ่อนจิตควรแก่การงานอะนะันนั้นประดุดผ้าที่ซักดีแล้วเนี่ยนะ เป็นจิตที่ไม่มีนิวรณ์คลุ้มรุมเป็นจิตที่ปราศจากบาปและอกุศล น, นั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามุ่งกําจัดบาปกําจัดอกุศลกําจัดราคา่ากาจัดโทสะกําจัดโมหะกําจัดความเศร้าหมองความหม่นหมอ ง, มองความขุนมัวที่มีอยู่ในใจของสัตว์ทั้งหลายนั่นน่ะคือปาฏิหาริย์ของพระองค์คือพระองค์สามารถพูดให้คนทุกขเนี่ยหายทุกได้พูดให้คนหนักใจนี่เบาใจได้ พูดให้คนที่ปัญหายุ่งเหงื่สับสนแก้ปัญหาได้หมดเนี่ยนะอันนี้คือปาฏิหาริย์ของพระองค์ที่มีที่มีต่อสัตว์คือสามารถสงเคราะห์สัตว์ได้นั่นเองอีกในหนึ่งเนี่ยพวกเดรัจฉีนี่ชื่อว่าเป็นฆ่าศึกต่อพระพุทธเจ้าและเป็นฆ่าศึกต่อพระพุทธศาสนาพระองค์นี้ก็กำจัดพวกเดรัจฉีเหล่านั้นกำจัดยังไงกำจัดด้วยอีทธิปาฏิหาริย์บ้างอาเทศนาปาฏิหาริย์บ้างอนุสาสนีปาฏิหาริย์บ้าง กำจัดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าฆ่านะแต่แปลว่าลบล้างลัทธิความเข้าใจผิดเหล่านั้นซะด้วยการกำจัดมิจฉาทิฐิและด้วยไม่มีความสามารถในการประกาศทิฐิหมายว่ามุ่งกำจัดมิจฉาทิฐิของเดรัจฉีเหล่านั้นได้อันนี้ก็หมายถึงคำว่าปาฏิหารท่านบอกว่าอีกในหนึ่ง น, นะเมื่อจิตตั้งมั่นปราศจากอุปกิเลสทาบุคคลผู้ทากิจ แล้วพึงนําไปคือให้เป็นไปในภายหลังเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปาติหารอีกอย่างหนึ่งเมื่ออุปกิเลสของตนถูกมักอันสัมประยุทธ์ด้วยฌานที่สี่ขจัดแล้วการกําจัดในภายหลังชื่อว่าปาติหารอันหนึ่งอิทธิปาติหารอาเทศนาปาติหารและอนุสาสนีปาติหารอันผู้ปราศจากอุปกิเลสเสร็จกิจแล้วพึงให้เป็นไปอีกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปาติหารปาติหารของพระองค์เพื่ออะไร เพื่อประโยชน์ประโยชน์หมายถึงประมัทประโยชน์คือพระนิพานเพื่อเกื้อกูลหมายคําว่าเพื่อพระนิพานเพื่ออริยมรรคแก่ศักดินั่นแลอันหนึ่งเมื่ออุปกิเลสของตนถูกขจัดแล้วการกําจัดอุปกิเลสในสันดานของบุคคลอื่นย่อมมีเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าปาฏิหารคือพระองค์ไี่กําจัดกิเลสในใจของพระองค์เสร็จแล้วใช่ไหมก็ไปกําจัดอุปกิเลสของผู้อื่นอีกอันนี้เลยเรียกว่าปาฏิหาร ก็อธิบายคําว่าปาติหามันลึกซึ้งเลยนะทีนี้ถ้าอธิบายคําว่าคำภีรภาพคำภีรภาพที่ภาษาไทยแปลว่าลึกซึ้งอุ้ธรรมะนี่ลึกซึ้งจริงๆเห็นไะไอ้คำว่าลึกซึ้งมีอยู่4ประการ1ลึกซึ้งโดยธรรมสลึกซึ้งโดยอัฏฐ3ลึกซึ้งโดยเทศนา4ลึกซึ้งโดยปฏิเวทคือการบรรลุเนี่ยนะกล่าวคือแบบแผนแบบแผนคือธรรมะอัฏฐเทศนาแล้วก็ตรัสรู้คือปฏิเวทชื่อว่าแบบแผนเป็นต้น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 ก็อย่างที่ว่าคนไม่ได้ทําบุญมานะให้เขาไปเงือแตกเงือท่วมยังไงก็ได้ขออย่างเดียวอย่าให้นั่งฟังธรรมเลยยังเคยเห็นไหมไม่เชื่อไปจ้างคนงานที่อาบเงือต่างน้ําวันๆหนึ่งบอกว่าฉั้นให้รายได้เท่ากับแรงงานของเธอแล้วก็นั่งฟังธรรมอย่างเดียวนะเขาไม่เอาหรอกเพราะว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาเนี่ยรับไม่ได้จริงๆฟังธําไม่ได้จริงๆนะแล้วก็ถึงฟังก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆ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 ขอให้เป็นปัจจัยให้ได้ตรัสรูม้มรรคผลเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้อริยสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนตั้งทั้งทำบุญและตั้งความปรารถนาอย่างนี้เอาไว้ก่อนถ้าไม่ได้ทําบุญตั้งความปรารถนาเอาไว้นะยากเหมือนกันนะบางทีก็อย่าว่ายากที่จะบรรลุเลยยากที่จะนั่งฟังได้นะะบางครั้งเดียวก็พอแล้วว่างั้นนะนะลึกมากว่างั้นเรานี่บุญน้อยเลยเลิกเรียนไปเลยอันนะั้นหนักกว่าเก่าเนี่ยดูท่าอาภัพยาวเนี่น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 ที่ไม่ได้มาฟังธรรมต่อพระพักต่อพระโอษฐ์เป็นต้นนีนะแต่ตอนนี้ของเราก็เหลือคําสอนใช่ไหมแต่เขามาเชื่อโดยสุดเจตจิตใจจริงๆว่าไม่นานคําสอนนี้หมดแน่วันนี้เชื่อเชื่อด้วยว่าไม่มีฟื้นฟูนฟนยังไงให้สําเร็จบอกว่ายากไม่เชื่อดูของมาจะชวนใครอ่านพระไตรปิฎกได้ตลอดชีวิตได้บ้างนะดูท่าแล้วจะยากดีไหมดีลึกไหมศรัทธาไหมศรัทธาเอาไห ม, เ อ, ไหมเอาไว้ก่อน โดยมากก็เป็นอย่างนี้เราก็เลยเชื่อแล้วว่าเสื่อมจริงๆอ่ะนะเชื่อถามว่าศาสนาเนี่ยนะเสื่อมจากใครเอาเสื่อมจากพระสารีบุตรไหมเสื่อมจากพระอานนท์ไหมก็เสื่อมจากเราๆท่านๆ น, นี่แหละก็ดูว่าชาตินี้นะตั้งใจไว้ยังไงอ่านพระไตรปิฎกทุกเล่มเลยชาตินี้จะต้องปฏิบัติตามคําสอนในพระไตรปิฎกไวเ้เนี่ยใครตั้งไว้อย่างนี้บ้างเนี่ยนะจะมีสักกี่คนเนะนี่ยนะดังั้นอาการที่ไม่ตั้งแบบนี้เนี่ยประกาศได้เลยว่าเสื่อมแน่นะนะก็เสื่อมจากใจใครก่อนก็เอาว่าเป็นรายคนอ่ะนะ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 นนะท่านก็บอกว่าเออเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะย้อนเอ่อทวนย้อนอีกนิดหนึ่งว่าพระพุทธพจน์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เป็นอจินไต่จริงจริงเนไแล้วท่านก็ออกตัวว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระสัพพันยูนะข้าพเจ้าได้ฟังมาส่วนหนึ่งเท่านั้นบทอย่างนี้ขณะเดียวกันบางทีเออแล้วพระอานนท์จะจามาหมดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดสงสัยในพระอานนท์เอกแล้วท่านมีความสามารถแค่ไหนจึงมาจําคําสอนอย่างนี้ได้ มันในหน้า17ย่อหน้าข้างล่างบอกว่าด้วยเอวังสับมีอวัารณะเป็นอัตพระเถระเมื่อจะแสดงกําลังการทรงจําของตนโดยสมควรแก่ภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญไว้อย่างนี้คือท่านบอกถึงความสามารถของพระอา น, นนทะ์นะพระอานนท์เนี่ยมีความสามารถพระพุทธเจ้ายัางชมเลยที่พระองค์ให้เอตัคธฆาห้าแหน่งนะเอตัคธฆมากประเพื่อนคือพระอานนท์เขาเรียกว่าเลิศเลิศก็คือเอตตะ อนนะเอตทัทคะเนี่ยประกาศถึงว่าโอ้สุดยอดของเรื่องนั้นแล้วที่บอกว่าพระอนุนนี้เป็นเลิศของพิสุผู้เป็นพหูสูตรใครจะได้ยินได้ฟังเท่ากับพระอนุนอนนั้นทนะ่านจึงเป็นเลิศในทางพหูสูตรแล้วก็เป็นผู้เลิศทางคติคติคือมีปัญญามากคิดอะไรเร็วมองมองปั๊บทะลุปรปุโปร่งหมดเลยเนี่ยคือเอตทัทคะของท่านคติก็คือหมายว่าที่ไปอ่ะนะแต่หมายถึงปัญญาที่รู้ความเป็นไปได้อย่าง ตลอดสายพระน์ น, นี้เป็นผู้มีสติรละลึกได้หมดเลยเนี่ยนะท่านเป็นคนพูดแบบภาษาไทยว่าจำแม่นมากไม่มีคำว่าเพี้ยนแม้แต่บทเดียวอักขระเดียวไม่มีอันนี้ด้วยอนุภาพของสติแล้วท่านมีทิฏฐิมีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำและท่านเป็นพุทธอุปถากนะอุปถากที่คิดง่ายๆว่าท่านเดินรอบพระคันธกุตีวันละ18รอบกลางวันเก้ารอบกลางคืนเก้ารอบ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 อโหวาตโกหนอเป็นต้นเนี่ยไม่มีคําว่าโอ้ oh, คําว่าหนอคําว่าอะไรไม่มีหลงแม้กระทั่งอะไรนะประโยคที่เรียกว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านจําได้หมดเลยไม่มีตกหลน่นแม้แต่นิดเดียวสิ่งใดที่พระองค์ประสงค์สื่อให้พระองค์เนี่ยพระ น, นรับมาหมดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีอนุภาพเป็นอจินไตยเทศนานั้นไม่มีใครอาจรู้ได้โดยอาการทั้งปวง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 กลายมาเป็นคํานําของพระพุทธพจน์เนี่ยนะเป็นเป็นบทนําของพระพุทธพจน์ทั้งหมดเลยนะเพราะอะไรตรงนี้บอกนิดหนึ่งว่าเพอมาจะไม่อธิบายตามลําดับหน้านะถ้าเรียนตามลําดับหน้ายอ ม, มเล่นเนี่ยปีหนึ่งพอดีจบตามลําดับบรรทัดไปว่าไปทุกคำเนี่ยนะก็คงโน่นแนหะพบกันใหม่ปีหน้านัานะ่นแหละนั่งฟังอย่างเดียวนี่แหละไม่ต้องทําอะไรละมันก็จะรวบรัดนะนะตรงไหนรวบรัดได้ก็รวบไป พูดถึงความสามารถของพระอนนเนี่ยนะในการทรงจำอัฏฐะและพยัญชนะได้ทั้งหมดแต่ตั้งคำถามว่าทำไมท่านจึงจำพยัญชนะได้หมดทำไมท่านจึงพยัญชนะที่ท่านจำเนี่ยท่านคข้ครวญเนื้อหาได้ทั้งหมดเนี่ยถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรไปดูหน้าหน้ายีสิบสี่โดยรวบยอเนี่ยนะรวบยอว่าความที่พระอ น, นุนเนี่ยนะ ฟังฟังแล้วอะ่ะทรงจําพยัญชนะได้หมดเนี่ยก็เพราะท่านมีสติแล้วปัญญาเนี่ยเป็นประธานตัวสติที่มีปัญญาเป็นประธานทําให้จําได้ทุกคําไม่มีคําว่าเลอะเลือนของเราให้มันได้ยินทุกคํานี้ใช้ได้แล้วนะเอาได้ยินก่อนนะไม่ต้องพูดถึงจำมันนะให้ได้ยินทุกคําก่อนก็แจ๋วและไม่ใช่นั่งฟังเทศไปด้วยนั่งคิดเรื่องอื่นไปด้วยหมดเวลาพร้อมกันพอดีอย่างเง้ยนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีสติอ่ะนะ แต่ถ้ามีสติก็คือจะเก็บได้ทุกคำหมดเลยแล้วก็เพราะมีปัญญาเป็นประธานแล้วทำทำไมท่านจึงเข้าใจอย่างทลุโปร่ปรงในในบทแต่ละบทแต่ละบทแล้วบทเนี่ยนะก็เพราะว่าท่านมีปัญญาโดยที่มีสติเป็นประธานคิดง่ายๆว่าถ้าถ้ามีสติแล้วให้ปัญญาเป็นหัวหน้านะจะจำได้หมด ถ้ามีปัญญาและมีสติเป็นหัวหน้าจะเข้าใจเนื้อหาอย่างตลอดสายก็เรียกว่าเปลี่ยนกันเป็นประธาน่ะนะจริงๆก็สติของพระนลก็เป็นสตินซใช่ปัญญาก็เป็นปัญญินซีสติก็เป็นสติพละปัญญาก็เป็นปัญญาพละเนื่องจากว่าทั้งพละอินซีเหล่านี้แต่ละอย่างก็เป็นใหญ่ความที่ท่านสมบูรณ์ทั้งสติทั้งปัญญาเนี่ยท่านจึงจาอัฏฐะ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 ท่านจึงสําเร็จความเป็นธรรมพันดาคาริกแปลว่าผู้ดูแลรักษาพระปริยัติสัตยธรรมของพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้มีโยมคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบฟังธรรมเลยแต่เขาเขาพูดตําหนิพระอา น, นุ์ว่าเห็นไหมพระอา น, นุ์เนี่ยนะมัวแ ต, แ ต, แ ต, แต่เรียนมากฟังมากเลยไม่ได้บรรลุซักทีหนึ่งเขาว่ากัน้นแต่โยมคนนี้นั่งปอนนอนหนึ่งถักแต่ผ้าไหม ผักถักไหมพรมอ้อมหมดนะไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่หรอกล้างถ้วยล้างชามไปวันวนหนึ่งไม่ยากไม่ไม่เรียนมากกลัวตัวเองจบับบรรลุยากเหมือนพระอนนท์เขากงั้นพระอนนนี่บรรลุเมื่อสองพันกว่าปีแล้วใช่ไหมแต่โยมคนที่พูดนี่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่เลยอยนี้และคิดว่าดูถ้าจะอยู่อีกยาวอย่นะพุทธเจ้าองค์หน้าไม่รู้จะบรรลุหรือเปล่าไม่รู้จากคํ า, าคพูดที่ตัวเองพูดเนี่ยนะเพราะไม่ได้บรรลุหรอกเพราะว่า ไปอริยประว่าเรียบร้อยแล้วนะไปว่าร้ายพระอนุ์ไว้เรียบร้อยแล้วคนนี้จะบรรลุยากมาก น, นะเพราะไปว่าร้ายพระอนุนว่าพระอนุนนี่มัวแต่เรียนมากฟังมากนั่นแหละเลยไม่ได้บรรลุสักทีหนึง่งคำนี่เสียหายเนีนะเสียหายมากบรรลุช้าแน่นอนคนนี้ไม่ต้องห่วง น, นะเพราะทำไมก็พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโอ้ยไปหาทำให้สมณะโลนโพธิยามท่านได้โดยยากคํานั้นเนี่ยท่านจะต้องไปหลงทางตั้งหกปี ก็คือต้องคิดอะไรที่มันยากเอาไว้ก่อนเนี่ยนะง่ายๆไม่เอาเอายากๆไว้ก่อนนั่นแหละพนคนที่เข้าใจอะไรผิดพลาดเนี่ยนะมันกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็จะตามด้วยมิจฉาวาจาการตําหนิพระอริยะเนี่ยมีโทษมากแต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าพระนนเนี่ยท่านมีสติมีปัญญาในการทรงจําอัฏฐะและพยัญชนะความสามารถของท่านเขาเรียกว่าเอนตัวลงนอนแล้วบรรลุได้อะใครทําได้ม้างอะเอ๊ะ เหยียดตัวลงนอนเนี่ยนะหลังยังไม่ถึงมอเออหลังยังไม่ถึงพื้นหัวไม่ถึงหมอนบรรุเลยเนะของเราทำได้ไม่หล่ะเนี่ยนะท่านท่านเก่งขนาดนั้นเนี่ยนะปริณิพานก็บนอากาศด้วยนนะเหาะปริณิพานเลยเหม น, นใครไฟลุกท่วมไม่ต้องใครหาฟืนมาให้ลำบากอะไร น, นะท่านมีความสามารถขนาดนั้นพระนน์นี้สำเร็จเป็นธรรมพันดาคาทิกเจ้าของเรือนคลังรักษาพระธรรมรัตนะ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 บพระพุทธเจ้าผู้เป็นสุดยอดของสัตว์บุรุษแล้วเข้าไปนั่งใกล้ฟังธรรมความไม่ฟุ้งซ่านของท่านทำให้ท่านจำพยัญชนะได้ทั้งหมดและตั้งคำถามว่าทำไมท่านเข้าใจเนื้อหาของพระธรรมได้อย่างทลปุปรุปร่งก็เพราะท่านมีโยนิโสมนัสิการท่านใครควรตามคำสอนทั้งหมดที่ท่านใครควรอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะท่านมีอัตตะสัมมาปนิธิมีการตั้งความปรารถนาไว้ถูกต้อง แล้วท่านตั้งความปรารถนาถูกต้องได้เพราะอะไรเพราะท่านมีปุเพกตะปุญญตาท่านเป็นผู้มีสัง เ, เป็นผู้สั่งสมบูรณ์ไว้แล้วเมื่อแสนกับที่ท่านสั่งสมบูร์เพราะอะไรเพราะท่านอาศัยะดีเพราะท่านเป็นผู้ที่มีเนกข ม, มัตยทยาสัยอะโลพทยาทศัยอะโทสัตทยาสัยอะโมหัทยาสัยและมีเนกข ม, มัทยาศัยเป็นผู้ที่มีอัตทยาศัยปรารถนาวิวัตะปรารถนาความพ้นทุกข์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 ท่านจึงเข้าใจอัฏฐะได้อย่างทะลุโปร่งเนี่ยนะเพราะท่านขบคิดพระธรรมธรรมะทั้งหมดที่ท่านได้ยินเนี่ยจะไม่มีคําว่าผ่านแปลเป็นแปลง่ายๆว่าน้ําทุกแก้วผ่านเครื่องกรองชั้นเลิศมาแล้วชันใดพระธรรมทุกสูตรก็เหมือนกับน้ำเนี่ยพระอนนท์ก็เหมือนกับเครื่องกรองที่กรองพระธรรมทุกทุกอย่างเนี่ยนะแล้วพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะที่ดีจริงๆ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 ท่านก็ปรารถนาจะให้ผู้อื่นนั้นมีศรัทธาในหน้า28กล่าวถึงว่าพระนลเนี่ยนะพูดคำว่าเอวเมสุตังเนี่ยเพื่อกำจัดความเสียหายของตัวเองออกไปคือว่า ก, ก้าล่วงภูมิของอาศัตบุรุษอาศัตบูรุษเนี่ยนะเป็นพวกที่ปล้นคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่านคำสอนมาปฏิบัติตามคำสอนก็กล่าวตูหลอกลวงคนอื่นว่าเป็นของตน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 คือกิจอันใดที่สาวกทำพระอนุนก็ทํากิจเหล่านั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์พระอนุนี้9้าล่วงเอ่อขออะไรกลงสู่ภูมิของสัตบุรุษอันหนึงชื่อว่าย่อมทําจิตให้ออกจากอสัตธรรมอสัตธรรมก็คืออะไรมายาสาไถอิจฉาริษยาเป็นต้นเนี่ยนะท่านออกจากอสัตธรรมเหล่านั้นให้จิตของท่านดํารงมั่นอยู่ในพระสัตธรรมสัตธรรมเจ็ก็คืออะไรสัตธรรมเจ็ดนะสัทธา ศีลหิริโอตตะ ป, ปะสติวิรยะปัญญาพวกนี้เรียกว่าสัตธรรมจิตของพระนอนเนี้ท่านตั้งอยู่ในสัตธรรมพระเถระเมื่อจะแสดงว่าสูตรนี้เราฟังมาแล้วทั้งสิ้นทั้งเป็นพระดำรัตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเองชื่อว่าปลดเปลื้องตนอ้างพระศาสดายึดมั่นพระดำรัสของพระชินเจ้าให้เป็นแบบแผนธรรมะปดิษถานอยู่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 เมื่อเปิดเผยคําที่ฟังมาก่อนจึงคิดว่าคํานี้เราได้รับเฉพา ะ, ะได้รับมาเฉพาะพระภาค ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมาดูคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้แ ก, กล้าในเวสารัชยานสี่เวสารัชยานสี่ก็คือหนึ่งสัมมาสัมพุทธปฏิญญาขีณาสวะปฏิญญานิยานิกธรรมเทศนาและก็อันตรายกธรรมเทศนาเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีญาณที่เรียกว่า เวสารัชยาน 4. สทรงทศพลยาน1ิบเนี่ยนะทศพลทศพแปลว่าสิพละก็คือกําลังยานที่เป็นกําลังของพระพุทธเจ้าสิบประการมีฐานาฐานายานเป็นต้นผู้ดำรงอยู่ในฐานะผู้อง์อาจผู้บลือศีนานาผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์ผู้เป็นธรรมมิสอนคือใหญ่ที่สุดในธรรมเป็นธรรมราชาผู้เป็นอธิบดีในธรรมผู้เป็นประทีปแห่งพระธรรม ผู้เป็นธรรมสารณะนะคือพระพุทธเจ้ายึดถือธรรมะเป็นที่พึ่งจริงๆเป็นผู้ที่เคารพพระธรรมมากผู้เป็นจักรพัฒแห่งพระสัตธรรมอันประเสริฐผู้ตรัสรู้โดยชอบคือสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองในข้อนี้เราไม่ควรทำความสงสัยหรือทำความเคลือบแคลงในอัฏฐ ธ, ธรรมบทหรือพยัญชนะ คำที่พระนรนบอกว่าเอวเมสุตังเนี่ยเป็นการทำความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในธรรมะนี้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงให้พินาศคือทำลายอสัตถิยะออกไปเพื่อให้เกิดศรัทธาสัมปทานั้นคำว่าเอวเมสุตังเนี่ยนะที่ที่กล่าวเป็นคาถาว่าวินาสยติเป็นต้นสาวกของพระโคโดมเมื่อกล่าวคำอย่างนี้ว่าเอวเมสุตัง ย่อมชื่อว่ายัางความไม่มีศรัท ธ, ธาให้พี่นาฏยังศรัท ธ, ธาให้เจริญขึ้นในพระศาสนาเพราะผู้ที่ไม่มีศรัท ธ, ธาในพระศาสนาเมื่อไม่มีศรัท ธ, ธาก็เท่ากับไม่มีสุตะไม่มีคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากมายท่านท่านา น, น, นนี้กล่าวคำว่าเอวเมสุตังเพื่อให้ศรัท ธ, ธานี้เกิดขึ้นเมื่อมีศรัท ธ, ธาแล้วย่อมเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาก็ นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็งเงี้ยโสดลงฟังจะได้ทรงจําคําสอนไปโยนิสโสมนัสิการมีการไปปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้เป็นต้นนั่นเองทีนี้คําว่าเอกังสมยังพัวาเนี่ยนะเอวเมสุตังสดเสร็จแล้วใช่ไหมเอกังสมยังพัวาเอวเมสุตังแปลว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้เอกังสม ย, ยังพควาก็คือสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า สมัยยังพัวาสมัยังก็แปลว่าเอากังสมยยังแปลว่าสมัยหนึ่งถามว่าพระสูตรนี้เนี่ยพระอยู่สมัยไหนเนื้อหาของพระสูตนี้เกิดที่สมัยไหนสมัยนั้นเป็นสมัยที่พระองค์แรกตรัสรู้ใหม่ๆแรกตรัสรู้ถือว่าใหม่มากนะวันที่7ของการตรัสรู้วันที่เจของการตรัสรู้นี้ถือว่าตรัสรู้ใหม่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 อันนี้ถือว่าเอกังสมัยยังสมัยหนึ่ง น, นะคือสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ให ม, ม่ๆสมัยในการพิจารณาพระธรรมของพระองค์ส่วนคําว่าพักวานี่นะก็น่าเสียดายเพิ่งดูนาฬิกามุกี้เนี่ยแปลว่าพักก่อนพักวานี้แปลว่าเรียนตอนบ่ายสำหรับตอนเช้านี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน